วันนี้จะพูดในหมวดที่สามในเรื่องป ร, ริญญาสามคือหนึ่ง 1. ยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้สองเตรยนะป ร, ะริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาสามปางานะป ร, ะริญญากำหนดรู้ด้วยการเสียสละประการแรก ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงมาทำความเข้าใจกับคำว่าปริญญาเสียก่อนคำว่าปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้นะการกาหนดรู้หรือพูดง่ายๆก็คือว่ารู้รอบนะรู้หลายๆอย่างว่างั้นเถอะอย่างเช่นเขารับปริญญาเนี่ย คือว่าผู้ที่จบในขั้นนั้นแล้วถือว่าเป็นผู้ที่รู้หลายอย่างเป็นผู้ที่รู้มากนะรู้มากว่างั้นเถอะนะแต่ก็ยังแยกออกเป็นอีกสาขานะเป็นสาขาอะไรจะเป็นสาขาบัญชีสาขาอ่านิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือว่าวรราศาสตร์อักษรศาตรสาตร์ครุศาสตร์อะไรก็แล้วแต่และ ก็เป็นสาขาไฟแต่ว่าผู้มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆมากรู้ดีมากแต่บางคนก็รู้หลายศาสตร์รู้หลายสาขาพร้อมๆกันแต่ว่าคำว่าปริญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอันนั้นรู้ในทางโลกอันนี้มุ่งเอารู้ในทางธรรมคาว่าปริญญาที่ว่าการกาหนดห ร, หรือว่ารู้รอบอรู้มากนั้นได้แก่การรู้จักแยกเบนจขัน ออกพิจารณาเป็นอย่างๆไปแล้วพิจารณาให้เห็นโดยใรยลักกาหนดละฉันทราคะเสียได้คือความพอใจความความยินดีความพอใจในในขันห้าในที่นี้ท่านจำแนกออกเป็นสามคือหนึ่งยาตะปิญญาคือการกําหนดรู้คือการกําหนดรู้ด้วยการรู้ คือหมายถึงว่ารู้เบนจะขันโดยจำแนกแยกออกจากสังขารเช่นแยกออกเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้จักทำลายคณะสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแท่งเป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเสียได้รู้อย่างนี้เรียกว่ายาตะปิญญา อันนี้ก็ถือพูดง่ายๆก็คือว่าให้เรากำหนดรูปเบญจขันได้แก่แยกออกจากสังขารคือสิ่งที่คุมกันอยู่ mm. เช่นว่าออกเป็นรูปเรียกว่ารูปประขันก็คือกองรูปเวทนาขันก็คือกองเวทนาสัญญาขันก็คือกองสัญญาสังขารขันก็คือกองสังขารวิญญาณขันก็ได้คือกองแห่งวิญญาณ อันนี้ถือว่ามีเป็นสิ่งสำคัญมากคือเราเราทุกๆุกคนเนี่ยได้แบกภาระกันอยู่ห้าอย่างก็คือขันห้านี่เองเราทุกคนพอเกิดมาก็มีขันห้าติดตัวกันมาถือว่าขันห้าเนี่ยเป็นภาระมาก เ, เป็นภาระมากฉะนั้น เ, เราจะต้องคอยบริหารนะคอยบริหารคอยประครับประคองคอยปกป้องอยู่ตลอดเวลา ก็เพราะตัวขันห้านี้เองเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อยากกินนะกินแล้วก็เป็นทุกข์ไม่กินก็เป็นทุกข์เดี๋ยวอยากนั่งอยากนอนอยากยืนอยากเดินอยากเที่ยวอยากเตะนี่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําตามขันห้าทางนั้นนะอย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้ไม่เป็นสุขอย่างนี้รู้สึกเฉยๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวจําได้เดี๋ยวจําไม่ได้อะไรเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องของขันห้าทางนั้นนะ เพราะรูปก็ได้แก่ว่ารูปรูปได้แก่หมายถึงว่าสิ่งที่ตามองเห็นมือจับต้องได้แต่ว่ารูปอย่างนี้เป็นรูปอย่างรูปละเอียดนั้นเป็นสุขุมมาลูปตามองไม่เห็นนะแต่ว่าสัมผัสได้ใยการรู้สึกอาจจะเป็นอย่างเช่นอากาศอย่างนี้นะอากาศอย่างเนี้มันก็เป็นสุขุมมาลูปเป็นรูปละเอียดนะเป็นรูปละเอียดได้อันนี้เรียกว่าเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเรา เรารู้สึกด้วยการสัมผัสได้นะนี่เรียกว่ารูปอันนี้เป็นรูปละเอียดเวทนาหมายถึงการเสวยอารมณ์สุข ก, ก็เรียกว่าสุขเวทนาเราทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาอันนี้เร า, าเรียกว่ า, าตัวเวทนานี่หมายถึงว่าตัวแสวงหานะมันเป็นตัวแสวงหาในตัวที่สามก็คือตัวสัญญา สัญญาก็คือความจำได้หมายรู้จำอะไรจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำได้นะว่ารูปร่างอย่างนี้คือพ่อแม่เรารูปร่างอย่างนี้คือพี่น้องของเรารูปร่างรูปร่างอย่างนี้คือครูบาอาจารย์ของเราเราจำได้ถ้าว่าเราจำไม่ได้ก็ถือว่าสัญญาวิปลาสคลาดเคลื่อนไปแล้วเห็นผิดสำคัญผิดไปแล้วสำคัญผิดก็เรียกว่า สัญญาวิปราสเห็นผิดก็เรียกว่าทิฏฐิวิปราสนั่นไปอย่างนั้นฉะนั้นนี่แหละฉะนั้นตัวตัวสัญญาคือความจำได้หม่ยรตัวสังขารก็คือสภาวะที่ปรงแต่งจิตใจให้เกิดบุญเกิดบาปเกิดดีเกิดชั่วชอบชังขึ้นตัวนี้เรียกว่าตัวสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกความรู้สึกรู้แจ้ง รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อมีอะไรมากระพัวเข้าก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรูกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆก็วางใจเป็นกลางนะทาใจเป็นกลางไม่ติดไม่ยึดนี่เรียกว่าเรารู้แจ้ง อมีข้อที่น่าสังเกตในเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสังขาร น, นั่นเองคำว่าสังขารในขันห้าก็ไปพ้องกับในสังขารสองพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงรูปก็เขียนเหมือนกันว่าสังขารสอรเสือมายอากาศงอ ง, งูกอไข่าขาสารอารอเรือเขียนเหมือนกันว่าสังขารแล้วก็อ่านออกเสียงเหมือนกันด้วยว่าสังขารแต่ความหมายแตกต่างกันมากแตกต่างกันมาก สังขารสองนั้นหมายถึงสังขารภายนอกคือรูปร่างากายของเราไปที่เป็นวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหมายถึงตัวเรานั่นเองตัวตนนั่นเองแต่สังขารในขันหา น, นี้หมายถึงสภาวะหรือหมายถึงตัวเจตสิกคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตคู่กับจิตที่ปรุงแต่งจิตใจให้เกิดอบุญเกิดบาปเกิดชอบชั่วชังดีอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เรียกว่าสังขารในขันห้า น, นันักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฝังทั้งหลายต้องเข้าใจว่าสังขารสองกับสังขารในขัห้าแตกต่างกันสังขารสองนั้นหมายถึงภายนอกสังขารสามนั้นหมายถึงจิตใจภายในขอให้ทราบไปด้วยดังนั้นอาการที่เราได้อาการที่เราได้กำหนดรู้สังขารคือคือแยกออกมาเป็นกองเป็นชิ้นเป็นส่วน เป็นกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อ, าอย่างนี้แล้วก็เราเรียกโดยโวหารว่ารู้จักทำลายคณะสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นตัวเราเป็นเขาเสียได้<อ><อ>ก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยรู้สังขารตามความเป็นจริงว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา สัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเข้าใจสังขารตามความเป็นจริงเรียกว่ายาตปริญญาข้อสองตีรนัคปริญญากําหนดรู้ด้วยการพิจารณาข้อนี้หมายเอากําหนดพิจารณาเห็นขันห้าอ่านโดยไตรลักษณ์คือหมายถึงว่า เราเห็นขันห้าซึ่งสามารถจะแยกเอาเป็นจขันคือขันห้าหมายถึงโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นเป็นไตรลักษณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่อยู่ในความบังคับของใครนะบังคับไม่ได้นะ อย่บังคับว่าอ่าผมจะงอกนะมันก็ไม่ได้ฟันจะโยกจะค้อนนะมันก็ไม่ได้หนังจะเยิยวนะมันก็ไม่ได้ตาจะฝ้า ฟ, า, ฟางนะมันก็ไม่ได้หูจะเติมนะมันก็ไม่ได้มันไม่เชื่อฟังนะมันไม่เชื่อฟังชราชชริตาผลติคนะัทถาปาทาอนัสสวะนี่พูดง่ายๆก็คือว่าในสังขารของเรานะ่ะมันมีความแก่ไป นะมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามือไม้เท้าอะไรของสิ่งทุกอย่างมันเป็นอาวะไม่ฟังไม่ฟังตามไม่เชื่อนะมันฝืนความรู้สึกของเราฝืนความปรารถนาของเราเราทุกคนไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่เราไม่อยากให้มันทุกคนที่คบกับเราเนี่ยเราไม่อยากให้เขาจากไปเขาก็ต้องจากไปนะเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่กับเราไม่ได้นี่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไปหมดเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างการที่เรารู้อย่างนี้นะอย่างนี้เรารู้ด้วยปัญญานะรู้ด้วยปัญญาพูดง่ายๆว่ารู้ด้วยการเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาก็คือว่ายกเอาขันธ์ธาหรือสังขารขึ้นมาพิจารณา ให้เห็นเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นอันอันแยกรูกแยกนามเห็นความเกิดดับของโลกนามเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าตีรณปะริญญาคือกาหนดรู้ด้วยการพิจารณาด้วยการเจริญวิปัสสนาข้อที่สามปานณาปะริญญากาหนดรู้ด้วยการละเสียข้อนี้หมายเอากาหนด ละฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยสามารถแห่งความพอใจในขันท่าคือไม่ยึดมั่นถือมั่นคือหมายความว่าคือคนเราเนี่ยมันติดขันท่ากัน น, นะหลงขันท่าหลงรูปนะติดในรูปติดในเวทนาติดในสัญญาติดในสังขารติดในวิญญาณอันนี้ได้เคยพูดไวมากแล้วว่าเราทุกคนติดกันเหลือเกินทาอะไรก็ เพื่อเราเพื่อเขาเพื่อตัวเราเพื่อตัวเขาเพื่อพวก ข, ของของเราเพื่อญาติของเรานี่นี่แหละเราติดกันอย่างนี้นี่เพราะเราไม่รู้ตามความจริงไอ้ตัวชันทระหมายถึงว่าความพอใจความยินดีในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี่เราไปหลงเราอยู่ในที่ไหนมันสุขแม้มันสะดวกสบายนี่แหละมันตัวเวทนาเราไปติดมันนมันไปติดมัน แต่ทีนี้ปัญหาปัญญานี่หมายถึงว่าเรารู้แล้วเราละได้ตัดได้สละได้นะโดยที่เรียกว่าไม่ติดในขันห้าไม่ติดในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการที่เรารู้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ด้วยปัญหาปริญญานะแต่รู้อย่างนี้เราจะต้องเจริญวิปัสสนานะจะต้องเจริญนะถ้าไม่เจริญเราไม่รู้อย่างนี้หรอกนะมองไม่เห็นหรอก เราจะเห็นก็เพียงแต่ว่าด้วยนึกก อ, อ่านตามตำราเอาแต่เราจะรู้จริงๆนั้นเราต้องรู้ต้องรู้ด้วยการปฏิบัติจะเริ่มสมถะจะเริ่มมีปัสจนาเราจึงจะเห็นได้นะทีนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าปริญญาสามเนี่ยจัดเป็นโลกิยะหรือโลกุตระได้หรือไม่ถ้าได้เกิดในคราวไหนจัดเป็นโลกิยะคราวไหนจัดเป็นโลกุตระอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่า จัดเป็นได้ทั้งโลกิยะและโลกุตระคือถ้าเกิดพร้อมกับโลกิยาจิตก็เป็นโลกิยะถ้าเกิดพร้อมกับมรรคจิตผลจิตก็เป็นโลกุตระนี่ขอให้จำไว้ด้วยนะจําไว้เลยว่าถ้าเกิดพร้อมกับโลกิยาจิตคือจิตที่เป็นโลกิยะนั่นเองก็เป็นอโลกิยะแต่ถ้าเกิดพร้อมกับมรรคจิตหรือผลจิตก็เป็นโลกุตระหมายถึงว่า สามารถที่จะล ะ, ะกิเลสตัณหาได้ตามขั้นตอนจนกระทั่งถึงที่สุดก็ได้เป็นพระอรหันต์ได้ถึงผลและจิตแล้วก็ถือเข้าโลกุตระแล้วเรียกว่าได้มรรคได้ผลเข้านิพพานแล้วอย่างนี้ก็เป็นโลกุตระทีนี้ถ้าจะถามว่ากําหนดรู้อย่างไรจึงจะเรียกว่าปริญญาเราก็กําหนดรู้ทุกตามสภาพที่เป็นอยู่อย่างไรมีชาติทุกเป็นต้น อย่างนี้แหละเรียกว่าปริญญาเช่นว่าเกิดก็เป็นทุกข์แกก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ปริญญานะรู้รู้ปริญญาก็คือว่ารู้ด้วยรู้ด้วยการกําหนดรู้นั่นเองนะกำหนดรู้รู้อย่างนี้รู้ด้วยปัญญานะขอให้เข้าใจไว้ด้วยพเมื่อพูดถึงปริญญาก็อยากจะพูดอีกข้อหนึ่งให้สอดคล้องกันไปก็คือปัญหา ประหารสาหรือที่เรียกว่าประหารสามนั่นเองประหารสามหรือประหารสาตัวนี้ก็ได้แก่หนึ่งตทังขประหารการละได้ชั่วคราว 2. องวิขำมาวิขำพนประหารการละเว้นจด้วยการสะกดไว้สมสมุดเฉทประหารการละได้ด้วยการตัดขาดเดีการแรกขกใอยท่านมาทำความเข้าใจกับคำว่าประหารเสียก่อน คำว่าประหารก็คือการละนั่นเองการละการทำลายการละการทำลายตัวประหารเหมือนกับเราพูดว่าต้องประหารซะเลยนักโทษประหารอะไรอย่างนี้ประหัตประหารเนี่ยแต่นั้นเราหมายถึงว่าประหัตประหารเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลแต่นี่หมายถึงว่าประหารกิเลสประหารติเลสฉะนั้นคาว่าประหารได้หมายถึงว่าการละหรือการทาลายก็คือว่าละกิเลสหรือบาปทำความชั่ว ละได้เป็นบางครั้งบางคราวบ้างละได้นานๆบ้างนะบางอย่างก็ละได้อย่างเด็ดขาดเลยนะ mm hmm. บางอย่างก็ละได้โดยเด็ดขาดอย่างนี้แห mm hmm. ละเรียกว่าประหารแต่ท่านท่านจึงแบ่งออกเป็นสามประการนะแบ่งออกเป็นสามประการ mm hmm. ก็คือหนึ่งตาทังขะประหารได้แก่การละกิเลส บ, บาปธรรมของสามัญชนเพราะสามารถ เพราะสามัญชนนี่ละกิเลสได้เป็นบางครั้งบางคราวไม่แน่นอนเสมอไปเกิดการสังเวชขึ้นหายกำหนัดในกามเกิดเมตตาขึ้นหายโกรธแต่มีเวลาที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นได้อีกนี่คนเราเป็นอย่างนั้นาบางครั้งเราเห็นรูปสวยเราก็รู้สึกพอใจอเห็นรูปเป็นเสียได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ริ้มรสได้สัมผัส อะไรรู้สึกแม้เกิดความพอใจนี่อย่างนี้เรียกว่าพอใจในการมคุณห้านะพอใจในการมคุณน้แต่บางครั้งเราก็สลดใจเกิดไปดูเห็นซากศพเห็นรถมันชนกันแหมดูซากศพที่คนถูกรถชนแลแ้วแหมแขนขาขาดเรี่ยวร่านะเลือดตกยางออกแหมอย่างนี้เราเรียกว่าเราไม่เกิดขึ้นนี้นะไอ้การมาราคะไม่มีแล้ว ใครจะไปเห็นซากศพแล้วเกิดกรมรมรคามันก็เต็มทีเนี่ยนะเนะต็มทีมากอันนี้เคยไปดูเขาชาแหละซากศพตำโรงพยาบาลาให้นักเรียนนักศุกษาแพทย์เขาดูเห็นแล้วก็ลงสัมเวยนี่แหละจึงมานึกถึงที่พระพุทธองค์ท่านได้ให้พวกเราได้เจริญอสุภกรรมฐานกันนะถ้าหากว่าคนเราเนี่ยได้ได้ดูของจริงแล้วเนี่ยเราจะดีมากนะจิตใจของเราเนี่ย จะเรียกว่าเบาบางจากความกำหนัดในการมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะเบาบางจากกรมกุศลเแต่เราไม่ได้พิจารณาของจริงกันเดี๋ยวนี้กับสมัยก่อนต่างกันสมัยก่อนเวลาจะไปพิจารณาอสาุภะกรรมฐานนั้นให้พิจารณาของจริงให้มองดูเห็นศพกันจริงๆต่างแต่ศพตายวันเดียวห้าวันเจ็ดวันสิบวันเป็นเดือน เ, อ น, เนี่ยเห็น ตาสดเป็นเขียวพองขึ้นตาทะลนออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้องไหลเยิ้มนอนชัยยั่วเยะอะไรอย่างเงี้ยเรามองดูกันจริงๆเราเห็นมันก็เกิดความเบื่อหน่ายแต่เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นกันอย่างนั้นนะมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้พอคนตายแล้วก็ใส่ลงเลยแม้สวยเหลือเกินบางทีใส่ลงทองประดับ นึกๆดูแล้วอยากตายนะบางคนเห็นแล้วก็อยากตายบางแม่เราคงจะไม่มีบุญวาสนาจะได้อยู่ในหลงท้องอย่างนี้บ้างบางคนก็ยิ่งไปกว่านั้นแหมใส่ไปในโกดขั้นนั้นขั้นนี้ชั้นนั้นชั้นนี้แบ่งไปอีกนี่คนตายก็ยังมีการแบ่งชั้นวันละแล้วจะนับประษาอะไรกับคนเป็นนะคนเป็นมันก็ต้องแบ่งชั้นวันละก็นับตายแล้วยังแบ่งไปอีกว่าขั้นนั้นขั้นนี้ซ้ำลายมเมนเผาผีก็ยังแบ่งไปอีกว่ามีเมน ร, ราษเมนหลวง อนเมนขั้นนั้นต้องคนระดับนั้นจึงจะเผาได้ไอเมนอย่างนี้ต้องคนกิ๊กก๊กหรือคนสามัญชนจึงจะต้องเผาได้นี่มันคิดๆดูแล้วมันก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาคนเรามาทํากันให้วุ่นวายเหลือเกินนะวุ่นวายมากฉะนั้นถ้าเรามานึกดูตามนโยบายหรือตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จตระสัมมาจ้าแล้วไยท่านวางไม่ดีมากนะคนเราเมื่อตายไปแล้วมันก็ชั้นไหนก็แล้วแต่ มันก็เท่ากันหมดแหละก็แก่เจ็บตายรวยก็ตายจนก็ตายนะเป็นเศรษฐียาจกในพวกขอทานก็ตายพระราชามากษัตริย์กอตายคนสามัญกอตายนะไอ้คนขอทานก็ตายรับประจักษ์การกอตายมันตายทั้งนั้นพระสงฆ์องค์เน้นกอตายนะตายแล้วก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าตายแล้วเอาไปเผาไอ้เมรุวิเศษเมรุหลวงอะไรมันจะประเสริฐขึ้นปล่ามันไม่ได้ดีขึ้นหรอกนะเหมือนกันทั้งนั้นนะเหมือนกัน ถึงแม้ว่าเราจะไปฟังเินลอยน้ำมันก็เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะอุจจารไปบ้างดูแล้วมันไม่เหมาะไม่ควรก็ไปเผาเสียแต่ว่าเป็นค่านิยมเรามากําหนดกันเนี่ยเราคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าทํากันเพื่ออะไรนะแล้วไปทําไอ้เมนหลวงกันไปมันก็ต้องเพิ่มเงินเพิ่มทองมากยิ่งขึ้นอ้าวเรามีเกียรติก็ต้องทําให้สมเกียรติอ่าคนที่มาในเผาเมนอย่างนั้นก็ถือไม่มีเกียรติเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปตายก็ยังมีเกียรติอีกไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไป นี่นี่เขาเรียกว่าเรามันหลงกันน่ะหลงกันอันนี้เราคิดกันมั่งหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้คิดกันน่ะเราไม่ค่อยได้คิดกันฉะนั้นสิ่งนี้แหละน่าคิดมาน่ะฉะั้นสมัยนี้เวลาคนตายแล้วเขาเอาใส่ลงเวลาให้พระไปพิจารณาพระสวดมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ได้สายสินขาวๆพระก็อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมโนอุปจิตตานิรุชฌันติแต่สร้างอุปสโมโสม ข, ขอ นึกไปด้วยว่าเอ๊ะวันนี้จะได้สักกี่บาทนะถึงสิบาทยี่สิบาทหรือเปล่าจะได้ร้อยบาทหรือเปล่ามันก็เลยเกิดกิเลสยกใหญ่แต่ถ้าหากว่าพระท่านไปมองดูซากศพเลยว่าอานิจจาว่าจะสังขาราแน่นอนที่สุดใจท่านจะไม่คิดถึงเรื่องเองินเรื่องทองจะไม่คิดเลยแต่นี่เราไม่ได้ทําตามนโยบายของพระพุทธองค์เรามันหลงกันเห็นจับสายสินตีายบางทีใจไม่สํารวมเปิดสมาธิยังคุยกันบ้างก็มี นี่แหละฉะนั้นจึงฝากนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาไว้คิดเป็นการวัดเป็นไวคิดเป็นการบ้านนว่าที่พูดนี้มีความจริงไหมนะจริงไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ขอให้คิดกันบ้างแล้วบางคราวเนี่เราก็จะมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อาฆาตพยาบาทมากนะแต่บางคราวเราจะเกิดเมตตาขึ้นเกิดสงสารขึ้น บางครั้งเห็นคนแก่ขึ้นี่เกิดสงสารมากที่ลูกไม่ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่เราจะสงสารเหลือเกินนัเดินง ก, งกเงินเงินนี่น่าสงสารหรือว่าเห็นเด็กร้องกระจองงอแงเห็นเด็กที่ต้องขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือเราจะไปดูเด็กตามูบ้านนาฏวิถีบ้านเมตตาบางครั้งก็เกิดความสงสารเนี่ยมันก็หายหายโกรธก็เกิดเมตตาขึ้นฉะนั้น ถาทั้งกขาประหารเนี่ยมันประหารปีเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นของสามัญชนคนทั่วไปนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้หายได้อยู่ตลอดเวลาก็อย่างดีนะก็อย่างดีนะให้มันเกิดบุญบ้างเกิดบาปบ้าง น, นะดีกว่ามันเกิดบาปอย่างเดียวประการที่สองวิคัมพนาประหารได้แก่การละกิเลส บ, บาปธรรมของชนผู้ได้ฌานอันเป็นโลกิยะ คือเมื่อฌานอันเป็นโลกิยะเกิดแล้วก็สะกดกิเลสบาปกิเลสบาปทําไว้ด้วยอํานาจของฌานนั้นกิเลสบาปทำก็ย่อมระ ง, งับไปเมื่อฌานเสื่อมกิเลสบาปทำย่อมกลับเกิดขึ้นอีกได้อย่างนี้จัดว่ายังไม่เที่ยงแท้ยังไม่เที่ยงแท้คือฌานเนี่ยมันยังเป็นขั้นโลภิย ะ, ะ, ะเรียกว่าเกิดได้เสื่อมได้สมัยหนึ่ง <c oughs> อสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ ก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเมื่อตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้ไปบังเพนเพียนในป่าจนกระทั่งในฌานเหาะได้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่วันหนึ่งได้เหาะไปชายพระราชมนเทียนของพระราชาไปเห็นพระมเหสีมาออกนอนนั่งพึงแดดพึ่งลมอยู่ชายระเบียงนุ่งผ้าบางๆเข้าพอเห็นนั้นก็เกิดความกําหนัดเกิดอารมณ์ความพอใจในรูป ขึ้นมา ท, าทันทีปรากฏว่าพอเกิดขึ้นแค่ใจคิดความกำหนัดแค่นั้นแหละชาญก็เสื่อมทันทีรัตตตกลงมาทันทีกเ็เรียกว่ามีการอภิรมชมเชยกับพระมเหสีของพระราชานั้นนผลที่สุดก็เกือบถูกพระราชาฆ่าตายแต่ก็ยังมีสติกับจิตกับใจไป็นเพ็ญใหมายจนได้ชาญอีก น, นี่แหละฉะนั้นชานนี่ยังเสื่อมได้พระเทวทัตนั่นก็เคยได้ชานมาก็เสื่อมน ฉะนั้นชาน่นี้มันยังเป็นโลกิยะอยู่นะมันยังเป็นโลกิยะฉะนั้นก็มันเราจะต้องข่มไว้นะส ก, กดไว้นะด้วยการสะ ก, กดกิเลส บ, บาปธรรมต่างๆนะอันนี้คนเราเหมือนกันนะบางครั้งนี่เราก็ต้องรู้จักสะ ก, กดปิดสะ ก, กดใจห้ามปิดห้ามใจไว้เพื่อไม่ให้มันลุกอํานาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนะแต่ว่าบางครั้งมันก็เกิดขึ้นปุถุชนก็ต้องอย่างนี้แหละ นะแต่ให้เราหมั่นทํามันสะกดอ่ามันก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขมากมากประการที่สามสงบเฉทพประหารได้แก่การละกิเลสบาปธรรมของพระอริยบุคคลผู้ได้โลกุตระชานตั้งต้นแต่โสดาปฏิมักสกทาคารมิมักโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคารมิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหธรรมกอะไร อาราตพุนอาราตผลเป็นอย่างสูนย่อมจะละกิเลสบาปธรรมด้วยอริยมรรคอริยผลนั้นๆ<ม>กิเลสบาปธรรมที่ละได้แล้วย่อมไม่กลับเกิดขึ้นอีกนี่แหละอย่างนี้เรียกว่าสมุทเฉตทประหาร<ม>คือประหารโดยเด็ดขาดละได้โดยเด็ดขาดนะพูดง่ายๆก็คือฆ่าอาริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั่นเองนะฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็สบายสิ้นพบสิ้นชาตินะ้นะสบายดังนั้นถ้าจะมีปัญหาถามบอกว่า ฌานอาฌานที่เป็นวิคัมพันนั้นท่านหมายเอาฌานประเภทไหนอันนี้เราตอบได้เลยว่าหมายเอารูปฌปานและเอรูปฌานที่เป็นโลกิย ะ, ะรูปฌานก็หมายถึงว่าฌ า, านที่ยังมีรูปแล้วรูปฌานหมายถึงว่าฌ า, านที่ยังไม่มีรูปนั่นเองที่ยังเป็นโลกิยะตอบแค่นี้หรือถ้ามีคําถามว่าประหารสามข้อไหนเทียบกับบิมุติอะไรได้บ้างและเทียบโดยอาการอย่างไร ปะหานะข้อไหนจัดเป็นเยี่ยมที่สุดเพราะเหตุไหนอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าตาทังคะปะหานเทียบได้กับตทังควิมุตคือหลุดพ้นได้เป็นครั้งเป็นคราววิคัมพะนาปะหานก็เทียบได้กับวิคัมพะน า, าวิมุตคือหลุดพ้นด้วยการสะกดจิตไว้คมจิตคมใจไว้สมุดเฉทะปะหานก็เทียบได้กับสมุดเฉทวิมุติคือหมายถึงว่าหลุดพ้นได้อย่างเด็ดขาดนะ โดยชื่อและยิ่งโดยชื่อแล้วก็ยิ่งย่อนกว่ากันสมุทเฉสพระหานจัดเป็นยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเป็นการละกิเลสได้เด็ดขาดเป็นอกุปปาธรรมเป็นธรรมที่ไม่กําเริบอีกแล้วนะไม่กำเริบอีกแล้ ว, ลวฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องปริญญาสามก็ดีเรื่องประหานสามก็ดีคิดว่าพอจะเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลาย นำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้คนเราถ้าหากว่ารู้จกักกาหนดรู้ตัวเองบ้างพิจารณาตัวเองบ้างแน่นอนที่สุดจะทำให้เรารู้และเข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงถูกต้องเมื่อตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วแน่นอนที่สุดเราก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง แต่ถ้าตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมีหน้าที่อย่างไรต้องทําอย่างไรแล้วเราจะรู้จักคนอื่นได้อย่างไรฉะนั้นเราจะต้องชนะตัวเองซะก่อนเมื่อเราชนะตัวเองแล้วเราจึงค่อยไปชนะคนอื่นอย่าคิดไปเอาชนะคนอื่นเลยไม่มีประโยชน์ท้ายเปล่าดังนั้นเราจะต้องชนะตัวเองการชนะตัวเองนั้นไม่ใช่ชนะด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่า ด้วยศาสตราวุตต่างๆแต่เราชนะด้วยการทำลายกิเลสทำลายกิเลสอาสวะทำลายกิเลสตัณหาให้มันเบาบางลงไปให้มันหมดไปโดยสิ้นเชิงอย่างนี้แหละเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเอาละการบรรยายเรื่องป ร, ริญญา3มและประหารสามมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร วันนี้จะได้พูดในหมวดที่สามในหัวข้อเรื่องว่าปาติหาริยะสามคืง่ายๆก็คือว่าปาติหารสามนั่นเองก็คืนหนึ่งอิทธิปาติหารเรียกว่าเมรฤทธิ์เป็นอัศจรรย์สองอาเทสนาปาติหารดักใจเป็นอัศจรรย์สาม อนุศาสนีปฏิหารคําสอนเป็นอัศจรรย์อันดับแรกขอให้เราทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคําว่าปฏติหารนะแต่เราเรียกว่าปฏิหาริยะนะภาษาพระเรียกว่าปาิหาริยะก็คือปฏิหารนั่นเองนะก็คือปาิหารที่เราบอกว่าแม้คนนี้ทำได้ราวกับปฏิหารแม้มันเกิด ปฏิหารเหลือเกินอะไรเนี่ยที่เราพูดอย่งน่ะนี่แหละหรือยิ่งเราไปดูกําลังภายในเนี่ยแหมอภินิหารเรื่องนั้นอภินิหารอย่างนี้นะนี่อภินิหารมังกรไฟบ้างหรือว่าออภินิหารของอหลวงจีนบ้างอะไรก็แล้วแต่และนั่นแหละเนี่ยอยู่ในปฏิหารนี้ทั้งนั้นนะแต่ท่านคําว่าปฏิหารเนี่ยถือว่าเป็นคุณที่เป็นของอัศจรรย์คือหมายความว่า ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ให้เกิดขึ้นมีเป็นได้ซึ่งมันเป็นสิ่งเหลือวิสัยที่สามัญมนุษย์จะทำได้เช่นนี้แหละเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์อันนี้ถ้าหากว่าเป็นพวกวัยรุ่นที่ชอบดูหนังกาลังภายในก็จะเรียกได้ว่าเขาทาได้ก็ราวปาฏิหาริย์นะราวปาฏิหาริย์ลองลองนึกดูสิ หนังกำลังภายในหนังจริงแม้บางทีอ่ศัตรูมาตั้งยี่สิบสามสิบคนพระเอกคนเดียวสู้ได้ราปาติหารจริงจริงแล้วมันก็ไม่น่าจะสู้ได้แต่ว่ามันก็สู้ได้บางครั้งนี่พระเอกยังไม่ทันจะชักดาบออกมาเลยเพราะจับดาบขยับมาครึ่งฝักแค่นั้นแหละตายไปแล้วสิบคน น, นี่ยังไม่ได้ชักดาบออกหมดเลย น, ะนี่มันมันขนาดไหน นี่มันเรียกมันเป็นเรื่องของปาฏิหารแต่นี่พูดถึงว่ามันเป็นเรื่องโลกโลกนะเรื่องเขาสร้างมาเองนะเขากำหนดให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าปาฏิหารในที่นี้เหนือกว่านั้น <c oughs> เหนือกว่านั้นอยากเข้าใจอย่างนั้นออันนั้นพูดนอกเรื่องไปอคําว่าปาฏิหารในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องอคุณธรรมหรือคุณงามความดีอที่มันเป็นสิ่งอัศ จ, จรรย์มากน ซึ่งไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นได้แต่ก็มีก็เป็นได้เหลือวิสัยที่มนุษย์สามัญจะทำได้นะหนึ่งอิทธิปาฏิหาริย์หมายเอาการแสดงฤทธิ์ได้เป็นของที่สามัญมนุษย์ไม่อาจสามารถทำได้เช่นเนือมิตตัวได้ต่างๆมีการล่องหนได้ดำดินได้ดาเดินน้าดาดินได้เหาเหินเดินอากาศได้ เหล่านี้ล้วนเป็นไปด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์ทางนั้นอิทธิปฏิหารนี้เป็นเหตุให้คนหมู่มากเกรงกลัวได้เป็นคุณเครื่องประดับสำหรับพระพุทธเจ้า<ม>เวลาทรมานเวนายสัตว์ผู้มีอั ต, อตย า, สายยัสหยาะอันนี้ขอให้สังเกตดูบางครั้งคนเราก็เหลือเชื่ออันนี้ตัวอาตมาเองนี่เคยเคยเห็นคนเราเนี่ย ทำปาฏิหารในหลายอย่างเป็นต้นว่าเห็นเขากัดแก้วนแก้วเหล้าเนี่ยพอกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาขึ้นมากัดเลยออกแล้วก็เคี้ยวกรุบๆเหมือนกับเขาเคี้ยวก้อนน้าแข็งจนกระทั่งไอ้แก้วเนี่ยละเอียดเป็นฝอยแล้วเขาก็พ่นออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปาฏิหารอีกเหมือนกันเหลือเชื่ออีกเหมือนกันแล้วปากคอเขาก็ไม่เป็นอะไรนี่นี่มันก็ถือว่าเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งเหมือนกันไง นี่ปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เคยอตอนที่เป็นเป็นวัยรุ่นอซึ่งในหมู่บ้านนั้นก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่ า, านายเฉลียวนะไอ้นายเฉลียวนี่เป็นที่รู้กันว่านายเฉลียวนี่เป็นคนมีปาฏิหาริย์แปลกเขาเรียกว่าได้ลงจักลงยัน สักด้วยหมึกแดงนะธรรมดาคนเราเนี่ยเขาสักด้วยหมึกดําหรือหมึกเขียวแต่ว่านายเฉลี่ยนี่ว่าสักด้วยหมึกแดงนายเฉลี่ยนี่สามารถที่จะอเรียกว่าคล้ายๆเหมือนว่าเป็นประเภทที่เรียกว่าเหาะเหินเดินอากาศได้ว่างั้นเถอะนะเหาเหินเดินอากาศได้ดําน้ําดําเินได้อ ก็ปรากฏว่านายเฉลียวนี้เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนวิเศษเป็นคนอัศจรรย์ก็เลยมีนิสัยผ่านเป็นพวกมิจฉาทิฐิชอบลักขโมยเขาอ่าปล้นเขาอไม่กลัวนะปืนหอกดาบไม่กลัวเลยเป็นลักของในบ้านเขานี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาล้อมบ้านไว้เต็มเลยนายเฉลียวนี้ปีนขึ้นไปบนหลังคาตำรวจชูปืนขึ้นไปเป็นสิบกระบอกกระโดดสวนออกมาเลยไม่มีตำรวจคนไหนยิงได้ อนะยิงไม่ได้ถึงกับลระวิ่งหนีไปหมดเลยแล้วนายเฉลียวนี่วิ่งวิ่งไปก็หายตัวได้นี่เป็นอย่างนั้นอีกนี่มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะเรื่องอัศจรรย์แต่ก็ยังว่านั่นแหละนายเหลียวนี่ก็ต้องตายตายด้วยปืนอีกเหมือนกันอ้าวขอประตานโทษเหมือนว่าไม่ได้ตายด้วยปืนด้วยการทุบนะด้วยการถูกทบถู ก, ถ ก, ถกตีตายเพราะว่ายิงเท่าไหรก็ไม่เข้าอ่าต้องถึงกระทบตีนะ นี่มันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมนะเรื่องของเวรกรรมนี่ที่พูดนี้ก็ยกตัวอย่างที่เห็นเคยรู้เคยทราบมาแล้วก็เป็นคนอยู่ในแถวถินฐานบ้านเดียวกับผู้บรรยายนี้อ่านดะังนั้นก็ยกมาแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เราบางครั้งเราเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องอัศ จ, จรรย์มากนะเป็นเรื่องอัศ จ, จรรย์มากคือบางครั้งไม่ต้องหรอกเราเคยเห็นเรื่องกายกรรม นะเกี่ยวกับกายกรรมของจีนกายกรรมกวางเจากายกรรมของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแม้บางครั้งมันก็เหลือเชื่อนะบางครั้งมันเหลือเชื่อจริงๆเราดูแล้วอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เีบจักรยานตายเส้นรวดอย่างเงี้ยเขาก็ทําได้แล้บางอย่างก็แหมอ่อเทีบจักรยานน้อเดียวเนี่ยแล้วก็เอาภาชนะเนี่ยโยนขึ้นไปซ้อนได้บนที่สะตั้งเป็นสิบๆใบ มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้วแถมไใบสุดท้ายนี่เอากาน้ําร้อนโยนขึ้นไปซ้อนอยู่ได้ใบที่สิบแล้วก็ยังเอาฝากาขึ้นไปติดได้อย่างนี้โดยที่ว่าใช้เท้าโยนใช้เท้าโยนแล้วก็ถี้งจักรกยานล้อเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเหลือวิสัยอ่านี่นี่พูดกันง่ายๆว่านี่มันก็เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างหนึ่งเหตุอัศจรรย์อย่างหนึ่งและสิ่งที่มันมีอภินธารมากกว่านี้อีกที่ที่เราดูเราเห็น เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การฝึกนั่นเองนะอยู่ที่การฝึกนะทุกอย่างปาฏิหารินี้ก็เกิดจากการฝึกบอกแล้วว่าคาว่าปาฏิหารเนี่ยเป็นคุณอัศจรรย์คือคนเราถ้ามันฝึกได้แนละ้มันก็อัศจรรย์นะอัศจรรย์มากหรือเหมือนเหมือนกับเด็กชายของเกาหลียูยองมินเด็กชายเกาหลียูยองมินนี่อายุเพิ่งแค่สี่ขวบแต่สามารถจะเรียนได้ถึงปริญญาโทนี่ อันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังใช่มั้ในหนังสือพิมพ์ก็เคยลงเเปลกล่วกาวมาม่าสถานีวิทยุก็ประกาศอพวกศาสตราจาร์โปรเฟสเซอร์ต่างๆทั่วโลกนี้ได้มาวิจัยวิจารณ์อแล้วในยยยองมินเนอายุ4ขวบนี้สามารถพูดได้ถึง6ภาษาเนี่ยพูดได้ถึง6ภาษานี่มันก็เป็นเรื่องอัศจรรยนะเป็นเรื่องอจัจรร์มากมีว่าเด็กขนาดนี้ทําไมจะมีความรู้ถึงขนาดนะั้น บางครั้งเนี่ยพวกศาสตราจารย์ต่างๆได้ตั้งปัญหายากๆให้เขาคิดปรากฏว่าเด็กชายยูยองมนเมนี่เห็นปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องกล้วยนะเรื่องกล้วยมากทำไมถึงว่าเรื่องกล้วยคือเขาคิดไปแล้วเขาก็กินขนมไปด้วยนะทําไปเล่นไปคิดไปเล่นภายในแป็บเดียวเองออกมาแล้วถูกแลอีกด้วยนี่นี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นี่ ของไทยเราก็ควรจะนับว่าเป็นเด็กอัศจรรย์ก็มีอยู่คนก็คือเด็กชายพิชิตอันนี้นักเรียนนักศึกษาหรือท่านสาธุชนบางคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเด็กชายพิชิตนี้อายุสิบเอ็ดปีกับเก้าเดือนนี่ก็เรียนมหาวิทยาลัยสอบเข้าแพทย์ได้นี่ยังเด็กมากนะนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่อัศจรรย์มากอายุแค่สิบเอ็ดปีนี่ถ้าถ้าพูดถึงตามหลักสูตรของการเรียนก็ อยังอยู่ในชั้นอป .4 ป .5 แค่นั้นแหละนะป .4 ป .5 นี่แต่ว่าเด็กชายวิชิตนี่เรียนแพทย์แล้วนะเรียนแพทย์แล้วปีนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นปีที่สี่หรือปีที่ห้าแล้วละนะปีที่สี่ปีที่ห้าเนี่ยนี่ยถือว่าเก่งมากนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กอัศจรรย์นะฮะเป็นเด็กอัศจรรย์มากเนี่ยหรือว่าเป็นเด็กปาฏิหาริย์ฉะนั้นเรื่องในในเรื่องปาฏิหาริย์นี้เป็นเรื่องที่ว่ามันเหลือเชื่อจริงๆ แต่ว่าปฏิหารในที่นี้ก็หมายถึงว่าเอาการแสดงริดได้เิรมิตรูปได้ต่างๆนานาอาย่างเช่นจุลปันถกเนี่ยจุลปันถกนีนได้เนรมิตตัวเองเป็นตั้งพันๆนค น, นเป็นตั้งพันๆคนเวล า, าคนเขาจะมานิมนต์ไม่รู้ว่าจะนิมต์องค์ไหนเอ๊ก็มีพระอยู่องค์เดียวแล้วทาไมทีแรกบอกว่าพระที่วัดเหลือองค์เดียวนะเขานิมนต์พระไปชั้นเต็นที่บ้านหมด อแต่ยังขาดอีกองคหนึ่งเขาก็ให้มาในมนต์ที่วัดปรากฏว่าพอมาถึงที่วัดอ้าวพระไม่ได้มีองค์เดียวแคแล้วในมันมีเป็นพันๆองค์แล้วไปถามว่าองค์ไหนชื่อจุลมปันถกอถามองค์นี้ชื่อจุลถกใช่ไหมบอกใช่องค์นี้ใช่ไหมใช่สรุปแล้วทั้งพันองค์ชื่อจุลปันถกทางนั้นเลยกลับไปใหม่ไปป้าพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าบอกพระ ที่วัดนั้นมีเป็นพันๆองค์เลยนะแต่และองค์ก็ชื่อว่าจุลปันโถกอย่งนั้นพล้พุทธองค์ก็เลยบอกเลยว่าถ้าองค์ไหนตอบว่าจุลปันโถ ก, ก่อนนั่นแหละองค์นั้นแหละคือจุลปันโถ ก, กเอามาเลยก็ปรากฏว่าเจงได้นี่อย่างนี้ถือว่ามีปาฏิหาริมากมีอิทธิปาฏิหาริมาเออย่างพระโมฆลลานะนั่นก็ถือว่ามีฤทธิ์มากเคาะเฮินเดินอากาศได้นี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้แหละถือว่า มีอิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่าปาฏิหาริย์อย่างนี้คนที่มีปาฏิหาริย์เนี่ยก็ถ้าใช้เป็นประโยชน์ก็ดีแต่ว่าถ้าใช้มาเป็นเครื่องหากินหรือทําลายผู้อื่นมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษนะเป็นทุกข์เป็นโทษใช้ในการทําลายผู้อื่นอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีแต่พระพุทธองค์นั้นใช้สําหรับเอาไว้ปราบเอาไว้ปราบพวกบรรดา คนที่มีนิสัยหยาบคายไม่ว่าพวกดื้อว่านอนสอนยากว่างั้นเถอะนะว่านอนสอนยากพระองค์ต้องใช้ปฏิหารปราบเหมือนอย่างที่พระองค์ปราบพวกฉดินนะพวกฉ ด, นะดินนี่บูชาไฟนะบูชาไฟนะรู้สึกว่าบางครั้งเวลาพระพุทธองค์ไปที่ไหนแมมเสด็จไปในพวกฉดินก็แปลงเป็นงูใหญ่นะพระพุทธองค์ก็ทำใ ห, ให้ใหญ่วันนั้นเข้าไปอีกนะ บางครั้งก็ทรมานงูใหญ่ทับแย่เลยอ่าบางครั้งก็ไอพวกจา ด, ดินแล้วก็เอาลอยควันขึ้นมาเพื่อจะให้พระพุทธองค์นั้นกระอักตายนะควันแต่พระพุทธองค์ก็ปราบได้อีกนี่ปราบได้ทางนั้นนี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่มีอิทธิปฏิหารเนี่ยสามารถจะปราบคนที่มีนิสัยหยาบหรือแข็งกระด้างดื้อดึงให้อยู่หมัดอยู่มือได้ให้เชื่อได้ให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสได้อ่า เกิดความเชื่อความเลื่อมใสได้ฉะนั้นจึงในบทพุทธคนที่บอกว่าปุริสธรรมาสารธติจัดฐาเทวมนุษย์สานังนี่ว่าพระองค์น่าเป็นผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นครูฝึกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ฉะนั้นเรียกว่าอิทธิปริหารจึงมีประโยชน์มากในการที่จะปราบบุคคลที่ไม่ค่อยมีความเชื่อถือเลื่อมใส ให้เป็นสัมมาทิฏฐิอาท่เป็นวิชาทิฏฐิก็ให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ประการที่สองอเทศนาปฏิหารหมายเอาการดักใจทายใจผู้อื่นให้ถูกต้องน่ะให้ถูกต้องหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปรจิตตวิทยาคือวิชาที่รู้จักวาระน้ำใจน้ำจิตของผู้อื่นถ้าพูดถึงสมัยใหม่เขาก็เรียกว่ามีจิตวิทยาว่างั้นเถอะ มีจิตวิทยาก็คือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจว่าคนในวัยเด็กต้องการอย่างไรไวัยนุ่งวัยสาวต้องการอย่างไรไวัยแก่ต้องการอย่างไรอจิตวิทยาจิตวิทยาในการเรียนการสอนอจิตวิทยาในการพูดจิตวิทยาในการเข้าถึงประชาชนเนี่ยมันมีหลายๆอย่างเนี่ยฉะนั้นอันนี้แหละก็คืออาเทศนาปฏิหารคือหมายถึงว่าการดักใจเป็นอศัศจรรย์ ทายใจเป็นอัศจรรย์เป็นต้นว่าใครจะคิดดีคิดชั่วอย่างไรก็มีอัตฉยาสายใจคอดีแล้วอย่างไรพระองค์ทรงทราบได้ตลอดรวมความว่าพระองค์รู้จักวาระจิตใจของผู้อื่นบุกว่าเป็นของที่มองเห็นได้ด้วยมังสะจักสุแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเพราะการกําหนดหรือการทำนายอย่างแม่นยำ อ, อย่างแม่นยําฉะนั้น เวลาพระพุทธองค์จะแสดงธรรมกับใครนั้นพระพุทธองค์จะต้องตรวจดูเส้น ก, ก่อนตรวจดูเส้น ก, ก่อนว่าที่พระองค์จะไปโปรดคนนั้นคนนี้เนี่ยไปแล้วมีประโยชน์ไหมผู้นั้นจะได้รับประโยชน์จากที่พระองค์ได้แสดงไหมเมื่อเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรวจดูแล้วพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าไปได้ก็จึงจะไปที่เราเรียกว่าเข้าข่ายคือพรญาณตอนเช้ามื้อพระพุทธองค์ก็จะได้เท่ากับว่าตรวจดูสัตว์โลกว่า บุคคลใดที่จะควรไปโปรดบ้างที่จะควรได้รับรสอมตะธรรมบ้างเมื่อเห็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็สเสด็จไปสเสด็จไปแล้วก็อาจจะโปรดให้เขาได้บรร ล, ลุมรรคบรร ล, ลุผล น, นิพพานได้ตามขั้นตามตอนนี่แหละอย่างนี้แหละเรียกว่ า, าการดักใจเป็นอัศจรรย์และทุกครั้งที่พระองค์ได้แสดงธรรมนั้นพระองค์รู้วารกิตว่าคนนี้ชอบอย่างไรคนนั้นชอบอย่างไรก็จึงได้แสดงธรรมได้ถูกนี่ แต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็ยังไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้ชาวโลกทั้งหมดนั้นอหมดกิเลสตัณหาได้ทุกครั้งที่แสดงนั้นบางคนก็ได้อ่าโสดาบางคนก็ได้สเกทาขาบางคนก็ได้อนาคาบางคนก็ได้บรรลุอรหันต์แต่บางคนไม่ได้อะไรเลยก็มีนะไม่ได้อะไรเลยก็มีนั่นแสดงว่าบุคคลนั้นยังมีอุปนิสัยจิตใจไม่ถึง ก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าอดอกบัวอันแรกเรียกว่าอุคติตันยูอันนี้ก็รู้ได้ไวหน่อยดอกที่สองก็วุตปฏิตันยูอันนี้ก็อพอแนะนาได้ น, น, นานๆถ้าปฏิบัติไปก็มีโอกาสที่จะรู้แล้วก็บรรลุได้แล้วก็ที่สามก็คือเนอยยะอันนี้ก็ต้องอบรมสั่งสอนกันมากหน่อยต้องใช้เวลานา น, านมากเรียกว่าจงบ้างลากบ้าง ดึงดุลดันกันสารพัดนะจึงจะเห็นอัดเห็นธรรมได้แต่ไอประเภทประเภทปรมะปทะแล้วก็พวกนี้ไม่ไหวเลยนะปทาป ร, ะะประมะเนี่พวกนี้ไม่ไหวนะพวกนี้เรียกว่าทําอย่างไรก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุได้ไม่เห็นอัดเห็นธรรมพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอาหารของอปลาและเต่าไฟนะจมอยู่ในต้มในโคลนนั่นเองเราะนั้น คนที่พระพุทธองค์ไม่สามารถจะแสดงให้ได้บรรลุได้ก็คืออยู่ในประเภทนี้นะอยู่ในประเภทนี้ฉะนั้นจึงบอกว่าอาเทสนาปฏิหารนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะที่ในการรู้จิตใจผู้อื่นคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราคุยกันเนี่ยนะถ้าเรารู้ใจเพื่อนรู้ใจสหายว่ า, าท่านมีนิสัยยังไงชอบอยังไงแล้วเราก็คุยกันให้ถูกอกถูกใจยางนี้ก็คบกันได้นาน สามีภรรยาถ้ารู้จักจิตใจกันศึกษาน้ําใจกันแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องรู้จักอลุ่มอารมวยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแน่นอนที่สุดนะเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะอยู่กันยืนยาวไม่มีความแตกเราวยิ่งเป็นนักเทศเป็นนักพูดเป็นนักอบรมประชาชนจะต้องรู้จิตใจของบุคคลว่าไปพูดกับผู้หญิงจะต้องพูดอย่างไรพูดกับผู้ชายต้องพูดอย่างไรพูดกับพระสงฆ์องค์เนนพูดอย่างไร พูดกับคนมีความรู้พูดอย่างไรอพูดกับนักเรียนพูดอย่างไรแล้วเราก็เลือกต้องเลือกดูด้วยว่าในที่นั้นน่ะมีคนมีความรู้มาพูดบ่อยไหมหรือว่าคนขั้นไหนมาพูดบ้างนี่เราจะต้องมีจิตว อ, อย่างเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้มาประมวลว่าคนที่เขาอยู่ในที่เจริญเราควรจะใช้ธรรมะอย่างไรคนที่อยู่ในชนบทเราควรใช้ธรรมะอย่างไร แล้วคนที่เขาเคยปฏิบัติธรรมเจริญสมถาวิปัสสนาควรใช้ธรรมะอย่างไรเมื่อเรากำหนดรู้อย่างนี้แล้วก็วางขั้นตอนนะแล้วก็ดำเนินวิธีการตามขั้นตอนอันนั้นเป้าหมายก็จะบรรลุผลสมความมุ่งมา่ตศาสนาฉะนั้นนี่แหละอามิตรสหายเราคบกันก็ดีเราจะต้องศึกษาน้ำใจกันแต่ทุกวันนี้สังเกตูสังคมของเราไม่ค่อยได้นึกถึงข้อนี้ยังไม่รู้น้าจิตน้าใจกัน ก็บางครั้งก็เห็นกันแค่ชั่วโมงเดียวแค่นั้นก็ไปกันแล้วชวนกันไปแล้วนะขึ้นลงเอเรียนโรงแรมไปแล้วนะขึ้นไปแล้วหรือบางทีก็ไปอยู่ด้วยกันเนะที่โบราณว่าหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็แตกกันแล้วก็เพราะไม่ได้ศึกษาน้ําใจกันคนสมัยก่อนนี่เวลาจะเขาจะได้กันเป็นสามีภรยาจะแต่งงานกันเนี่ยเขาจึงต้องมีการมั่นไว้ก่อนไอ้การมั่นนี่แหละเป็นการศึกษาน้ําใจ บางคนมั่นไปตั้งสามปีสิบปียังมีเลยนะอ่ามั่นกันไปนานการมั่นนี่แหละเป็นการเป็นการศึกษาน้ําใจของแต่ละฝั่งจะได้ดูว่าเป็นคนดีจริงไหมเนี่ยจะเอามาทําเป็นลูกเขยจะมาทําเป็นสะพายเขาเป็นคนดีจริงไหมถ้าไม่ดีก็คืนมั่นกันได้นี่คืนมั่นกันได้แต่สมัยนี้ไม่ชอบนะแต่งเลยมั่นเลยมั่นวันนั้นก็แต่งวันนั้นนี่แหละจึงได้แตกันมากการหย่าร้างจึงมีมากอ่า ยังเมื่อคืนนี่มีการสนทนาวันอ่ะ เ, เรียกว่ามีการสนทนาปัญหาวันอาทิตย์ก็สนทนาปัญหาเรื่องบ้านเมืองก็ยังอ้าวขอประธานโทษไม่ใช่การสนทนาปัญหาบ้านเมืองเกี่ยวกับการตอบปัญหาเรื่องแพทย์นะเรื่องหมอความรู้เกี่ยวกับเรื่องแพทย์ก็มีหมอคนหนึ่งก็ได้มาทําสถิติเกี่ยวกับเรื่องการอย่าร้างนะเรื่องการอย่าร้างว่าจังหวัดนั้น ปีหนึ่งสมรสเท่านั้นยาร้างเท่านั้นเนี่ยก็สรุปแล้วว่าในสังคมที่เจริญมากนะอย่างกันในเมืองหลวงเนี่ยแต่งงานกันมากก็ย่าร้างกันมากนี่ขอให้ทราบไปด้วยจังหวัดไหนที่มีประชาชนมากก็จะมีการย่าร้างกันมากจังหวัดไหนที่มีประชาชนน้อยก็มีย่าร้างกันน้อยอย่างจังหวัดระนองเนี่ยมีเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นน้อยมากนะที่ฟังดูแล้วก็น้อยมากฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่า การที่เราได้เรียนรู้นิสยัยจิตใจของกันและกันเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ในการสมาคมคบหาสมาคมกันมากนะขอให้เราทุกคนสนใจนะเราสนใจอันนี้แหละเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะเราเอาไอ้สิ่งที่เขาไม่สนใจเอาไปให้เขาต้องการน้ําเราเอาข้าวไปให้มันก็ไม่ถูกใจเขาต้องการข้าวเราเอาน้ําไปให้มันก็ไม่ถูกใจเขาต้องการฟังธรรมแต่เราไปคุยทั้งโลกเขาก็ไม่ถูกใจ เขาต้องการอยากฟังทางโลกแต่เราไปคุยทางธรรมเขาก็ไม่ถูกใจเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องรู้จักใจคนข้อนี้สําคัญคนไหนที่มีจิตวิยาสูงคนนั้นได้เปรียบคนอื่นจะดํารงชีวิต อ, อ, อย่างผาสุกแล้วก็มีคนนิยมชมชอบมีคนยกจ้องมีคนชมเชยเนะข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นก็อันนี้เราเอามาเปรียบเทียบกับปัญหาในชีวิตประจําวันของเราว่า การดักใจทายใจผู้อื่นได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากในข้อที่สามอนุสาสนีปฏิหารหรือว่าอนุสาสนีปฏิหาริยะหมายเอาหมายเอาคำสั่งสอนที่จูงใจให้คนนิยมตามให้คนปฏิบัติตามเมื่อผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์แล้วก็ย่อมเกิดอัศจรรย์ เธอที่ชั่วก็จัดเป็นฝ่ายทุจริตเมื่อคนประพฤติทุจริตเข้าก็ย่อมได้รับความทุกข์ได้รับโทษตามความเป็นจริงส่วนที่ดีก็จัดเป็นฝ่ายสุจริตเมื่อคนไปประพฤติปฏิบัติในสุจริตเข้าก็ย่อมได้รับความสุขความสำราญความเบิกบานใจตามความเป็นจริงจึงจัดคํำตำสอนของพระองค์ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ ใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วพค้ชสั้นๆก็คือว่าพระองค์ตรัสสอนอย่างใดก็เป็นจริงอย่างนั้นที่พระองค์บอกว่าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่พระองค์บอกว่าเป็นสุขก็เป็นสุขนี่ฉะนั้นอันนี้แหละจึงจึงถือว่าเป็นสัจธรรมนะอย่างที่พระองค์ได้บอกว่าอบายมุกนี่ยเป็นทางแห่งความเสื่อมเป็นทางแห่งความหายนะเป็นทางแห่งความขิ้หาย ถ้าใครประพฤติข้างจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นจริงนะมันก็เป็นจริงไม่มีเราใครเล่นอบายยมุขที่จะรวยเจริญอคนที่รวยเขาต้องโกงครัเขาแต่ก็อยู่ไม่นานก็ต้องบทไปบางทีตัวก็ตายเนี่ยคนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายพูดง่ายว่าเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนเล่นการพ น, นันอ่าเป็นคนดื่มตัวราเมรัยคบคนชั่วเป็นมิตรหรือคนมีความเกลียดชังอย่างเนี้เกิดความหายันะ์ ไม่มีความประสบสุขในชีวิตอขอให้ดูปัญหาหนังสือพิมพ์ลงทุกวันมีการฆ่าการตายมีการหักหลังกันอะไรกันเนี่ยกกงกันเนี่ยนี่ก็เรื่องการพนันนี่แหละเป็นต้นเหตุนะหรือเป็นการครบชู้สูสาวนี่นี่ก็มีก็เกิดความหายันะ์เสียเงินเสียทองเสียเนื้อเสียตัวแล้วก็เสียชีวิตอีกด้วยเสียชีวิตอีกด้วยอหรือคนดื่มเหล้าอืคนดื่มเหล้า ก็รู้แล้วว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันเป็นของไม่ดีแล้วดูเขาแล้วก็เกิดความเบื่อเมาคาสติก็ทําความชั่วได้ทุกอย่างะฆ่าสัตว์ก็ได้รักทรัพย์ก็ได้ประพฤติปิตเวณนี้ในลูกเขาเมียเขาก็ได้พโกหกก็ได้สารพัดจนกระทั่งที่สุดฆ่าพอ่อฆ่าแม่ก็ได้ออันนี้ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างเยอะบางคนกินเหล้าเ ม, มามาแล้วก็มาซ้อมพ่อซ้อมแม่ด่าพ่อด่าแม่ด่าลูกด่าเมียเป็นที่อับอายขายหน้าเขา แค่นั้นยังไม่พอบางคนเมาไปแล้วก็เผลอสติไปฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปกรรมมากเวรกรรมมากเคยถูกประหารชีวิตมา ก, ก็มีเพราะฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอเป็นความไหยะณะเป็นความหายนณะนคนะนคนไหนที่ต้องการความเจริญก็เอาเลยอ่าวุฒิธรรมทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญอ่านี่หรืออิทธิบาทตีคนเครื่องทําให้สําเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งทุกททอย่าง ใครมีความฉันทะอมีความฉันทะมีความพอใจในการในหน้าที่ของตนว่ า, าตนเป็นอะไรเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือรับปราชการอยู่กระทรวงรมองไหนก็มีความพอใจในหน้าที่ที่ตนมีตนเป็นอแล้วก็มีวิญญาณมีความเพียนในรในการประกอบกิจการงานที่ตนมีตนเป็นอันนั้นให้ดีที่สุด จิตะเอาใจปักใฝ่สนใจในกิจการในกิจที่ทําในคําที่พูดมิมังษาคือพิจารณาตรวจตราผลงานที่ตนได้ทํามาแล้วดีชั่วอย่างไรถ้าชั่วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้ามันดีขึ้นก็ขยับขยายให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะมีแต่ความเจริญสมประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าคนเราอยากจะร่ํารวยก็ต้องเป็นคนขยนันถ้าไม่ขยันร่ํารวยไม่ได้เมื่อขยันหาทรัพย์มาแล้วต้องรู้จักเก็บ รู้จักเก็บรู้จักรึกษารู้จักใช้ใจ่ายรู้จักใช้ใจ่ายอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้ออะไรควรกินอะไรไม่ควรกินเนี่ยจะต้องรู้จักแค่เมื่อรู้จักจับจ่ายแล้วก็คบเพื่อนคบมิตรที่ดนะีเพื่อนดีก็เป็นคบเพื่อนดีก็เป็นสีแก่ตัวคบเพื่อนชั่วก็พาตัวอัปปราราชัยฉะนั้นหากว่าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะเป็นคน มีมั่งคัง่งร่ำรวยทรัพย์สมบัติร่ำรวยญาติมิตรบริวารแต่คนเราที่ยากจนเพราะไม่ขยันเพราะไม่ขยันเกียรตค้านก็ทุกข์ทั้งหดหลุมฝังตัวเองจนจนตายจนจนตายฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าอุทธาตาวินทตเตตนะงคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้วิริเยนทุกขมัจเจติคนจะร่วงทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร นี่อันนี้พระพุทธองค์ได้ตัดไว้เป็นความจริงทางนั้นเป็นตัดจตธรรมทางนั้นและอีกบทหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้กับอนัตถกุเิกขาที่บอกว่าอ่าไปถามว่าพระพุทธองค์นะ่ะรู้แต่ทางดีผมจะไม่รู้ในทางชั่วละมั้งพระพุทธองค์บอกว่าดีก็รู้ชั่วพระองค์ก็รู้อแล้วก็ถามก็เลยให้อ่าพระองค์ได้ตัดว่าอะไรชั่วอ ะ, อะไรคือทางทิศหายพระพุทธองค์ก็ตัดไว้เลยว่า คนที่นอนตื่นสายนะคนนอนตื่นสายคนนอนขี้เศ้าคือนอนนานอตกยากตื่นยากอาคนดุรา้ายคนเดินทางไกลคนเดียวคบชู้สูสาวคนอื่นอย่างนี้เกิดหายนะทั้งนั้นเกิดความหายนะทั้งนั้นเกิดความจิตหายเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนทั้งนั้นแล้วก็ท้า เ, เลยว่าเอาสิลองประพฤติปฏิบัติดูสิใครลองดูสิไม่เชื่อลองดูว่ามันเสื่อมไหมก็เสือสส่อมจริงๆนะ เติมลาบเติมยศเติมสุขเสติอมอมีคนติคิดนินทานี่มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนี่แหละจึงบอกว่าอคําสั่งสอนของพระองค์นั้นพระพุทธองค์จัดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอาเพระว่าว่าทําดีก็ต้องดีทําชั่วก็ต้องดีชั่วนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นจัดจะทมทีนี้ถ้ามีปัญหาถามว่าปาติหาริสามเป็นวิทยาจําเพาะ พระาศาสดาหรือพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกาได้บ้างขอให้แสดงหลักฐานพอควรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าในปฏิหารสามนั้นเป็นความรู้จำเพาะพระาศาสดาแต่พระสาวกก็มีได้บ้างเป็นบางรูปแต่ไม่ครบบริบูรณ์เท่านั้นอิทธิปาฏิหารเช่นพระโมคคัลลานะเป็นตัวอย่างอาเทสนาปฏิหารเช่นพระสารีบุตรเป็นตัวอย่าง อนุศาสนีปฏิหารเช่นพระปุณมันตรีบุตรผู้เป็นยอดแห่งพระธรรมกถึกเป็นตัวอย่างหรือจะถามต่อไปอีกว่าในปฏิหารสามนั้นพระคู่มีประภาคทรงยกย่องข้อไหนว่าเป็นยอดเยี่ยมเพราะเหตุใดอันนี้ทรงก็ยกย่องอนุศาสนีปฏิหารว่าเป็นยอดเยี่ยมเพราะว่าการที่จะแนะนําสั่งสอนบุคคลผู้ยังเป็นทาสแห่ง ความบอดความหนวกอยู่ด้วยอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะให้เป็นทูนิยมนับถือเชื่อมั่นในสัมมาปฏิบัติอันเป็นนิยานิกระมได้ก็ด้วยอำนาจแห่งคำสั่งสอนในอย่างพระองค์ทรรมาพวกเรลีีต่างๆเป็นต้นเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องปฏิหารสามมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> จงมาสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร